ชั่วโมงนะปี2556ก็จะกลายเป็นอดีตอีกไม่กี่ชั่วโมงมันก็จะผ่านไปแล้วก็ไม่มีวันทวนกลับมาอีกเพวกเราอย่าปล่อยให้ปี2556มันผ่านไปอย่างเดียวนะ แต่ควรจะให้สิ่งลายๆสิ่งเก่าๆหรือความรู้สึกที่ไม่ดีมันผ่านไปด้วยอย่าให้มันเก่านะแต่ปีแต่ว่าความรู้สึกที่มีเก่าๆก็ให้มันผ่านไปด้วยเช่นกัน อีกไม่นานก็จะขึ้นปีใหม่แล้วก็อย่าให้มันใหม่แต่ปีแต่ให้ชีวิตเราของเรานี่มันใหม่กว่าเดิมด้วยแต่ชีวิตของเรามันจะใหม่กว่าเดิมไม่ได้ถ้าเกิดว่าใจของเรายังเก่าอยู่เก่าด้วยอารมณ์ที่มันหมักหมม โดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นอกุศลที่สั่งสมไปมันได้เวลาแล้วนะที่เราจะปล่อยให้มันลอยไปกับกาลเวลาเหมือนจอกเหมือนแหนะเหมือ น, นสิ่งปฏิกูลที่มันควรที่จะลอยไปตามกระแสน้ำได้แล้วะจะไปเก็บกักมันเอาไว้ปล่อยให้มันลอยไปกับ การเวลาใจของเราเนี่ยถึงจะได้ใหม่ถ้าเรายังหวนติดหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับเหตุการณ์เก่าๆที่ทำให้เจ็บปวดทำให้เศร้าโศกทำให้ขุนเครืองหรือท้อแท้เราจะไม่สามารถจะก้าวไปข้างหน้าได้เลย มันเหมือนกับเหมือนกับว่าเราอย่างถูกล่ามโซ่ไว้นะด้วยเหตุการณ์ในอดีตถ้าเราไม่ปลดโซ่ตัวนี้ไปเราก็ไม่สามารถจะเดินหน้าได้เลยสมัยที่หลวงพ่อโตท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านเคยไปขึ้นธรรมสคู่นะ กับเจ้าคุณองค์หนึ่งนะเจ้าคุณธรรมอุดมวัดโพนวัดพระเชตุพลสมัยก่อนนี่ก็มีธรรมะคู่คล้ายๆกันเป็นการโต้ปฏิแต่เป็นการโต้ด้วยธรรมซึ่งต้องใช้ทั้งความรู้และปฏิภานอีคราวหนึ่งท่านเจ้าคุณธรรมอุดมก็ก็พูดขึ้นมาว่านะพายธนะพ่อพายตะวันจะสายตลาดจะวาย สาบัวจะเน่าแล้วก็ทิ้งไว้ให้หลวงพ่อโตนี่ซึ่งตอนนั้นก็เป็นเจ้าคุณเหมือนกันนะให้ให้กล่าวแก้หรือกล่าวตอบท่านก็โตได้ดีมากนะท่านก็โตว่าก็โซยังไม่แก่นะปัจจัยยังไม่ไขจะไปข้างหน้าได้หรือถ้าโซยังไม่แก้ปัจจัยยังไม่ไขนะจะไปข้างหน้าได้หรือ เรื อ, อนีมันไม่สามารถจะ่ายไปข้างหน้าได้ถ้าเกิดว่ามันยังถูกล่าไม่ได้โซ่ยังมีประแจนะพันธนาการเอาไว้อยู่โซ่หรือว่าประแจนั่นคืออะไรนะก็คือความรู้สึกเก่าๆการที่ยังหวนคิดถึงเรื่องเก่าๆเหตุการณ์ในอดีตที่มันทำให้รู้สึกแย่รู้สึก อดผูกหรือเกิดอกุศลในใจปีใหม่ทั้งทีใกล้เข้ามาแล้วก็ควรจะปล่อยใจของเราให้เป็นอิสระจากเหตุการณ์แอดีดบางเราจะได้ก้าวไปข้างหน้าเหมือนเรือที่สามารถจะพายต่อไปได้ไม่ต้องรอให้ตะวันสายไม่ต้องรอให้ตลาดวายหรือรอให้สายบัวมันเน่าซะก่อน พูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าไม่ต้องคิดถึงอดีตเลยนะเราคิดได้ถ้าเราคิดแบบใครครวนไม่ใช่คลำครวนหรือว่าเศร้าโศกเสียใจคิดด้วยความใครควรวนนี่คือใช้ปัญญาพิจารณาซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสมควรทำนะประสบการณ์ของเราตลอดปีที่ผ่านมาไม่ควรปล่อยให้มัน ผ่านเลยไปโดยร้ายประโยชน์แล้วก็ใคร่ครวนว่ามีอะไรที่ที่ดีนะที่ควรทำต่อมีอะไรที่ผิดพลาดที่ควรแก้ไขแต่ว่าก็อย่าไปอาไลาอาวออันนั้นมันเป็นการคร่าครวนคร่มครวญ น, นี้เป็นเรื่องความรู้สึกนะที่ขาดสติไม่ใช้ปัญญาแต่ถ้าเราใช้ปัญญามันก็จะการใคร่ครวนแล้วก็ได้บทเรียน เป็นทุนเป็นทุนสำหรับดำเนินชีวิตในปีที่จะมาถึงนี้ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าให้เกิดความสุขความสงบเย็นในจิตใจถ้าเราปล่อยวางอดีตไม่ได้นี่ก็ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เหมือนกัน น, ะนอย่างที่บอกไว้แล้วว่าปีใหม่จะมาถึงแล้วก็ เราก็ควรจะมีชีวิตที่ใหม่กว่าเดิมที่งๆมันควรจะใหม่ทุกวันอยู่แล้วนะแต่บางคนก็ปล่อยให้เวลาแต่ละวันแต่ละวันผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทำให้มันใหม่ขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะนะเพาขึ้นสักการะใหม่ในอีกไม่ช้าหลายคนเวลา นึกถึงปีใหม่ก็อยากจะได้ชีวิตใหม่และชีวิตใหม่ในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่คือการที่มีของใหม่การที่มีสิ่งใหม่ๆที่น่าชื่นชมซึ่งมักจะไม่พ้นเรื่องของวัตถุสิ่งของรถคันใหม่บ้านหลังใหม่หรือว่างานใหม่ๆที่มันน่าตื่นเต้นหรือว่ามีเงินเดือนมากกว่า อันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตใหม่อย่างแท้จริงชีวิตจะใหม่อย่างแท้จริงนั้นมันต้องอาศัยใจที่ใหม่มีของใหม่ๆ ม, มากมายเพียงใดถ้าคุณภาพจิตยังเป็นคุณภาพเดิมมันก็เป็นชีวิตใหม่ไม่ได้พ่กันถึงแม้เราจะไปเที่ยวสนุกสนานนะได้ของขวัญมากมาย จากเพื่อนจากคนรักจากพ่อแม่แต่ถ้าจิตของเรายังเหมือนเดิมยังเก็บอารมณ์เก่าๆความรู้สึกเก่าๆที่อ่าเป็นลบเอาไว้เนี่ยก็ไม่มีทางที่จะมีชีวิตใหม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีจิตที่ใหม่กว่าเดิมถึงแม้เราจะอยู่กับสภาพแวดล้อมเดิมๆใจของเดิมๆ ทำงานเดิมมันก็สามารถจะกลายเป็นชีวิตใหม่ขึ้นมาได้คุณภาพจิตที่ใหม่เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะก็เกิดจากการที่เราได้ฝึกฝนพัฒ น, ฒนาจิตใจของเราจนมีสติมีสมาธิมีความรู้สึกตัวสามารถที่จะปลดเปื่องจิตใจออกไปจาก ความรู้สึกเก่าๆหรืออารมณ์ที่มักบ่มได้อย่างที่พูดไปโซ so, มันจะแก้ได้นะปัจจัมันจะไขได้ก็เพราะอาศัยสติหรือปัญญานี่แหละสติมันทำให้เราอยู่กับปัจจุบันและทำให้เราสามารถจะมองไปข้างหน้าได้ด้วยใจที่สดใหม่หรือว่าเวลามีความเครียดนะ เราก็รู้จักวางอารมณ์นั้นด้วยการทำสมาธิหรือว่าแม้เราจะอยู่ท่ามกลางผู้คนนะแต่ว่าใจเราก็ไม่หม่นหมองเพราะเรามีความสุขตัวใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ว่ามีอะไรมากระทบใจไม่ว่ามีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่กระเทือนไปถึงใจหรือถึงแม้จะกระทบใจก็รู้จักวางรู้จัก นะปล่อยให้มันผ่านเลยไปได้นะถ้าเรามีชรติดมีคุณภาพแบบนี้้นะเราจะยังมีความทุกข์ยังมีความเจอความป่วยอยู่นะแต่ว่าเรากลับรู้สึกว่าชีวิตของเราใหม่ขึ้นนะคนที่เขารู้จักปล่อยวางนะ ก็จะรู้สึกว่ามันเป็นวันใหม่มันเป็นความรู้สึกใหม่เป็นใจที่ใหม่จริงๆถึงแม้ว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัวหรืองานการมีเพื่อนคนหนึ่งนะเขารู้สึกอึดอัดขัดเคืองมากนะเพราะว่าเวลาพูดแนะนำเพื่อรวมงานเขาก็มีทีท่าไม่ฟัง เวลาจะวิจารณ์ก็ถูกโต้แย้งกลับมาเวลาเพื่อนบางคนมาถึงจังหวัดเดียวกับเขาก็ไม่บอกเปล่าเล่าสิบลวงหน้ามาบอกเอาตอนเผาขนเหมือนกับว่าไม่อยากจะเจอเขาเป็นแต่บอกเป็นพิธี ก็รู้สึกไม่พอใจไม่ว่าเจออะไรนี่ก็กระทบใจเขาเป็นหมดโดยเพราะกับเพื่อนเพื่อนโดยเพราะเรื่องที่เกี่ยวกับเพื่อนที่คุ้นเคยแล้วก็ทุกนะ่ะเป็นเป็นวันๆเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้คิดว่าเอคนเรามันก็ต่างกันนะจะไปคาดหวังให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดนี่มันเป็นไปไม่ได้เลย เขาก็มีนิสัยใจคอแบบของเขาเราจะคาดหวังให้เขาเป็นแบบเรานี่มันไม่ได้พอเขาได้คิดแค่นี้หลุดเลยนะไอ้ความโกรธความแค้นเคืองหรือความไม่พอใจมันหลุดไปจากใจเลยเขาสึกสบายสามารถจะคุยกับเพื่อนที่เขาเคยขุนเคืองได้ด้วยความรู้สึกที่ปกติ ไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจหรือไม่ได้โกรธเคืองอะไรเพื่อนก็ยังมีนิสัยเหมือนเดิมแต่ว่าเขาเนี่ยกับรู้สึกว่าใจิตใจสดใหม่กว่าแต่ก่อนเนะพราะอะไรก็เพราะเขารู้จักปล่อยรู้จักวางหรือเขาเกิดปัญญาขึ้นมาว่าคนแต่ละคนเขาก็มีนิสัยใจคอของเขา เราไม่ควรจะคาดหวังให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดแค่นี้เนี่ยนะความทุกข์มันก็หลุดไปได้เยอะแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออรู้สึกผ่อนคลายสบายยิ่งกว่าเดิมอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตมีคุณภาพใหม่นะเพราะว่ารู้จักปวดรู้จักเปลืองนะจะไปรอให้ใครเนี่ยปฏิบัติ ด, ดีกับเราปีใหม่แล้วนี่เธอต้องดีกับฉันนะ เธอต้องพูดดีๆกับฉันเธอต้องเอาอักขระใจฉันมากกว่าเดิมนะอันเนี้ยเป็นความเพ้อฝันมากแต่ถ้าเรารรู้จักวางใจให้ถูกกับการปฏิบัติของผู้คนอันนี้ก็จะช่วยทำให้ใจเราโปร่งเบาแล้วก็เย็นกว่าเดิมอย่างนี้แหละนะที่จะทำให้ปีใหม่มันมีความหมายมันทำให้ เป็นชีิตใหม่แท้จริงบางคนเป็นมะเร็งนะแต่ว่าพอเ้ารู้จักวางใจให้ถูกนะเขาก็สามารถจะยิ้มได้ขอบคุณมะเร็งด้วยซ้ําเพราะว่ามันทําให้เขาได้เข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอน เ, เข้าใจไตรลักษณ์มากขึ้น หรือว่าได้เห็นเลยว่าคนเราเกิดมาแล้วก็แก่ต้องเจ็บต้องตายบางคนเขาพบว่าเออเร็งทำให้เขาได้เห็นธรรมะพอพบธรรมะแล้วใจสงบใจผ่อนคลายอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นไม่ไปกังวลกับอนาคตเที่ยงมาไม่ถึงส่วนใหญ่ที่ทุกข์ก็เพราะไปกังวลกับอนาคตนะ คนป่วยด้วยโรคลายเนี่ยแต่ว่าพอใจมีสติรู้จักอยู่กับปัจจุบันก็สามารถจะพบกับความสุขในปัจจุบันขณะที่มีรอบตัวได้ง่ายใจก็สงบใจก็ชื่นบานมะเร็งก็ยังอยู่นะแต่ว่ากลายเป็นว่ามีชีวิตใหม่ หรือบางคนทีการอย่างอาจารย์กำพลทองบุญนุษบนุ่มนี่ที่พิการก็ยังพิการอยู่แต่ว่าความรู้สึกเหมือนคนใหม่เหมือนมีชีวิตใหม่ก็เกิดขึ้นเมื่อได้รู้ว่าใอ้ที่พิการอ่าพิการแต่กายนะแต่ใจไม่ได้พิการด้วยแต่ก่อนนี่ยังไม่ได้ปฏิบัติเจริญสติก็หลงคิดว่าเราพิการเราพิการพอปฏิบัติทําเห็นรูปเห็นนามก็รู้แล้วว่าอ๋อ ที่ทุกข์นะมันเป็นใจมันเป็นกายที่ทุกข์นะที่พิการคือกายที่พิการแต่ใจไม่ได้พิการด้วยจริงก็เล่จากความทุกข์เลยก็ยิ้มแย้นแจ่มใสเบิกบานอย่างที่คนธรรมดาก็ไม่สามารถจะทำได้เพราะว่ายังจมอยู่กับความทุกข์ของตัวยังปลดอดีตไม่ไปยังมัวแต่กังวลกับสิ่งที่เอามาไม่ถึง แลคนที่เป็นมะเร็งเขาก็สุตรแบบนี้เหมือนกันนะว่าเออมันป่วยป่วยแต่กายนใจไม่ได้ป่วยด้วยใจก็ยังสามารถที่จะอิมเอิบปิติประโมทกับความดีที่ได้ทำหรือการที่ได้อยู่กับปัจจุบันใเราต้องใช้โอกาสนะที่จะสำหรับเวลาที่มีอยู่เพื่อการสร้างจิตให้มีคุณภาพใหม่ สติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนี่นะมันเป็นกุญแจที่สําคัญมากนะที่จะปล่อยที่จะปลดให้เราไปข้างหน้าได้ยังมีความสุขเป็นทางเรืออ่าเป็นทางเสือนะที่จะพาเราไปสู่ทิศทางไม่หลงวุ่นคนบางคนนี่ก็เหมือนกับเรือที่ทางเสือไม่มีมก็เลยวน ไหหรือว่าเดินวนอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนสักทีแต่ถ้าเรามีหางเสือเราก็สามารถจะไปข้างหน้าได้ตามทิศทางที่ต้องการเอาคุณภาพจิตใหม่ยังเกิดขึ้นได้จากการที่เรามองมุมใหม่บ้างมองมุมใหม่หรือเปลี่ยนมุมมองไอ้มุมเก่าๆมุมมองเก่าๆนี่มันก็เป็นที่มาข่างความทุกข์ได้ คนจํานวนมากเนี่ยทุพเพมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีมองเห็นแต่ด้านที่ไม่ดีทั้งของตัวเองและของคนอื่นไอ้ทีนการเปลี่ยนมุมมองมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยเพียงแค่เราหันมามองสิ่งที่เรามีหรือรู้จักเห็นด้านดีของเราเองหรือของคนรอบตัวบ้างในความทุกมันก็จะหายไปเอาคนทุกวันนี้เนี่ยนะ ทุกก็เพสิ่งที่ยังไม่มีไม่มีรถคันใหม่ไม่มีตําแหน่งใหม่ไม่มีอะไรต่ออะไรมากมายทั้งที่พอหันกลับมามองสิ่งที่ตัวเองมีก็พราบว่ามันมีอยู่มากมายคนที่มองเห็นแต่ด้านที่ไม่ดีของคนอื่นหรือของตัวเองก็ก็มีแต่เรื่องที่ทําให้หดทูแต่มอง พอกลับมามองเห็นด้านที่ดีของตัวเองก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาและการเปลี่ยนมุมมองนี่มันช่วยได้เยอะนะเหมือนกับขณะนี้ขณะที่เรากำลังหนาวหนาวเนี่ยบางทีเราหนาวเพราะเราไปจดจ่ออยู่กับร่างกายส่วนที่มันมันหนาวเฉียบมันเย็นเฉียบแต่ถ้าเราลองหันมาใส่ใจนะ ร่างกายส่วนที่อบอุ่นซึ่งมันก็เยอะกว่าส่วนที่หนาวอยู่แล้วเราก็จะรู้สึกทุกน้อยลงแต่พอวางใจไม่เป็นใจมันก็ไปจดจ่ออยู่กับส่วนที่มันหนาวเย็นเช่นมือนะเพราะว่าไม่ได้ใส่ถุงมือแต่นั่นก็เป็นส่วนที่เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับร่างกายส่วนที่เร า, าปกคลุมด้วยเสื้อผ้านะ ส่วนที่อบอุ่นเนี่ยมันมีเยอะกว่าส่วนที่หนาวเฉียบอยู่แล้วต่อมาเราจะไปจดจ่ออยู่กับส่วนที่หนาวไม่มาใส่ใจกับส่วนที่มันอบอุน่นแล้วพอเราย้ายใจเนี่ยจากมือที่มันเย็นเย็นเนี่ยมาที่หน้าอกที่มันอุ่นอุเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นอากาศก็ยังหนาวเหมือนเดิมนะแต่ความรู้สึกเปลี่ยนไปคราวนี้นอกจาก นอกจากการที่มองอะไรใหม่ๆแล้วนะก็ควรจะลองทำสิ่งใหม่ๆกับปีที่กาลังจะมาถึงบ้างลองพิจารณาดูว่าอปีที่แล้วนี่มันมีนิสยัยมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะที่ทำให้เราทุกข์ที่ทำให้เราจำแย่หรือกลายเป็นสิ่งที่ กดทวงหน่ว ง, วงเหนียวชีวิตของเราเอาไว้บางคนติดชาแฟบางคนติดบุรีบางคนชอบดินทาบางคนชอบมักโกรดธรลองตั้งปณิธานหรืออธิษฐานจิตบ้างว่าปีหน้านี่อย่างน้อยเราจะมีสักสิ่งหนึ่งที่เราจะละหรือเราจะลด อธิษฐานในที่นี้ไม่ได้แปลว่าขอแต่หมายถึงความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึง่งเดี๋ยวนี้เราเข้าใจคาอธิษฐานนี่ไม่ถูกต้องอธิษฐานแบบไทยกับอธิษฐานบาลีนี่มันต่างกันมากอธิษฐานแบบไทยคือขอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีโชคแต่อธิษฐานแบบบาลีหรืออธิษฐานในพุทธศาสนานี่หมายถึงความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึง่ง จัดว่าเป็นบารมีหนึ่งในสิ์ที่ทำให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่พระเจ้าได้อธิษฐานในวันที่ตัสรู้นะว่าแม้เลือดและเนื้อในกายของเราจะเหือดแห้งคงเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกตาบใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณเราก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้อันนี้คืออธิษฐานที่ สำคัญมากนะเปลี่ยนโลกเนะีเป็นอธิษฐานที่เปลี่ยนโลกพลิกโลกเนะีเพราะว่าอธิษฐานนั่นเนี่ยที่ทำให้พระองค์เนี่ยบรรลุพระสัมมาสัมพุธิญาณได้ในที่สุดเราจะไม่ได้มีอธิษฐานบา ร, รมีขนาดนั้นนะเราก็อธิษฐานเพียงแค่ว่าเราจ ะ, ะลดละสิ่งที่ไม่ดีบางอย่างเอาแค่หนึ่งอย่างก็พอนะในปีหน้าว่าอะไรบ้าง บางคนติด Facebook บางคนติดอินเทอร์เน็ตนะก็อาจจะไม่ถึงกับเลิกนะแต่ว่าลองตั้งกติกาตั้งวินัยให้กับตัวเองว่าเออเราจะใช้เราจะเสพมันนะวันละเท่าไหร่บางคนติดหนังติดโทรทัศน์ทีวีซีรีส์ของเกาหลีเนะี่ยก็ลองตั้งจิตว่าเออเราจะแค่ดูมันวันละชั่วโมงพอหรือวันละตอนพอ อย่างเงี้ยนะมันก็มีความหมายละเพราะว่ามันจะทำให้ถ้าเราทําได้อย่างที่เราตั้งใจในจารไม่จัดจิตเรามีพลังในทองเดียวกันนะนอกจากสิ่งที่ไม่ดีที่เราจะละในปีหน้านะสิ่งดีเราจะทําในปีหน้าคืออะไรเช่นเราจะนั่งสมาธิก่อนนอนเราจะสวดมนต์ก่อนนอนเราจะเจริญสติหรือว่าเราจะมา ปฏิบัติทำอย่างน้อยปีละครั้งครั้งละเจ็วันที่วัดป่าสุโตรหรือที่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้าให้ดีควรจะเป็นสิ่งที่เราทำได้ทุกวันเพราะถ้าคือรอว่าจะทำปีละครั้งนี่พอถึงเวลาแล้วมันก็ไม่ทำก็มีเหตุให้ต้องเลื่อนออกไปหลายคนก็ตั้งใจว่าเนี่ย จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุโโตปีละครั้งสุดท้ายก็ไม่ได้ทําสักทีผ่านไป 3-4 ปีเรื่องไม่ได้ทำเพราะถึงเวลาจะทํา พ, พอถึงเวลาที่กําหนดก็เลื่อนไปมีเหตุให้ต้องเลื่อนบางทีกิเลนก็หาเหตุแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทําได้ทุกวันอันนี้จะดีแม้แต่การออกกําลังกายการวิ่งออกกําลังกายทุกวัน เวลาสินาที20่นาทีก็มีประโยชน์จริงๆไม่ต้องเอาเรื่องที่ใหญ่โตก็ได้เอาเรื่องเล็กๆนาะที่เราทำได้อย่ไปดูถูกความดีแม่เพียงเล็กน้อยนะความดีแม่เพียงเล็กน้อยนี่มันก็สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ถ้ามีคนหนึ่งเขาติดเหล้านะแล้ววันหนึ่งเพื่อนก็ชวนไปหาหลวงปู่ดู พรมปัญโยนะันท่านมราณาภาพไปแล้วเพื่อนที่พาคนติดเหล้าคนนี้ไปก็ชวนก็ไหนๆก็มาหาหลวงพ่อแล้วก็มารับศีลกับหลวงพ่อแล้วก็ทำสมาธิด้วยเป็นประจำเขาก็บ่ายเบี่ยงเขาบอกว่าก็ยังกินเหล้าอยู่นะจะรับศีลไม่ได้หรอก หลวงปู่ดูเขบอกว่าแกจะกินเหล้าก็กินของใจไปแต่แกจะนั่งสมาธิให้ฉันได้ไหมวันละหนาทีพอได้ยินเช่นนี้เขาก็คิดว่าเออทำได้สิแค่วันละหนาทีก็รับปากหลวงพ่อแล้วเขาก็เป็นคนที่เมื่อรับปากแล้วก็ตั้งใจทําหลังจากวันนั้นเขาก็นั่งสมาธิทุกวันวันละหนาทีนั่งเสร็จก็ไปกินเหล้า ก็ทำงี้อยู่พักใหญ่จนกระทั่งบางวันก็กลังนั่งสมาธิอยู่เพื่อนมาชวนกินเหล้าก็บอกว่ายังไม่ไปนะเพราะว่าจะนั่งสมาธิให้เสร็จก่อนบางทีพอนั่งไปนั่งไปตอนหลังนี่เพื่อนมาชวนก็ไม่ไปละกินเหล้าเพราะว่ารู้สึกว่าสมาธินี่ทำให้ใจสงบตอนหลังก็ขยายจาก5้านาทีเป็น10นาที เป็น20นาทีตอนหลังก็เลิกเหล้าได้สุดท้ายเขาก็ในสุดเขาก็บวชแค่เพียงแค่ทำสมาธิวันละ5นาทีเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนชีวิตของเขาได้จากคนที่ติดเหล้าซึ่งมอีอนาคตเป็นพวกที่เหล้าเมายาก็ทำให้เขาโน้มเข้าสู่ศีลนะ ส, สู่ธรรมจนกระทั่งบวชพระ บางคนเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนแปลงอะไรมากยังมีคนหนึ่งเขาตั้งใจว่าเนี่ยเป็นนักธุรกิจเนเป็นผู้หญิงเก่งทางานเยอะจนกระทั่งชีวิตนี่เครียดเจอความล้มเหลวเจออะไรที่ไม่ถูกใจก็โกรธง่ายมีปัญหากับเพื่อนเอากับลูกกับลูกชายมีปัญหากับ ลูกน้องเพราะอารมณ์ที่ฉุนเฉียวเพราะความเครียดเพราะกรรมงานต่อมาก็เริ่มจะรู้สึกยั่นแย่กับชีวิตก็คิดว่าชีวิตเราต้องเปลี่ยนแปลงลก็ไปเข้าคอร์สคอร์สนี้ก็ทำให้เขาได้มาเห็นตัวเองคอร์สนี้ก็มีมีมีโครงงานอย่างหนึ่งให้ทุกคนทําจะเลือกทําอะไรก็ได้ทําแค่หนึ่งอย่าง แล้วเขาเลือกก็แล้วเขาเลือกกินเคี่ยวข้าวให้ช้าลงเขาเคี่ยวข้าวช้าลงตั้งใจจะเคี่ยวข้าวช้าลงเพราะว่าทุกวันนี้กินเคี่ยวข้าวเร็วมากห้านาทีก็เสร็จแล้วบางทีไม่ถึง5นาทีทําไมต้องกินข้าวเร็วๆนะเพราะว่าใจมันนึกถึงแต่งงานกินข้าวไปก็นึกถึงงานการกินข้าวกลายเป็นกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถจะทํางานได้ เน้นพ้นทเวลากินข้าวก็เคียวไว้มากพอเขาตั้งใจเคี่ยวข้ายช้าลงนี่มันเกิดเกิดความเปลี่ยนแปลงกับตัวข้าวหลายอย่างไม่เพียงแต่รู้สึกว่าเออข้าวนี่มันอร่อยนะข้าวนี่มีรสหวานนะแต่ก่อนไม่เคยรู้สึกเลยสลังพอเคี้ยวข้ายช้าลงก็มีก็มีเวลาคุยกับลูกมากขึ้นแต่ก่อนกินข้าวเร็วนี่ไม่ มีเวลาให้กับคนที่ร่วมโตเลยจะพอกินข้าวช้าลงอ่ะมีเวลาทักทายโอ่อพาปลาใสากับลูกชายทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันความสัมพันธ์กับลูกชายก็ดีขึ้นตอนหลังก็พบว่าไอ้โรคปวดท้องโรคหายใจไม่เต็มไม่เต็มท้องนี่มันก็หายไปมันก็มีโรคอีกนั่นะโรคหายใจไม่เต็มท้องเนี่ยพวรารีบเพราะว่ะวนนะแต่พอกินข้าวช้าลงเนี่ยมันก็ ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนนิสัยของเขาไอ้โลนี่ก็หายไปโดยที่ไม่ต้องกินยายเลยเลยแต่ก่อนกินยายเป็นส0ปีก็ไม่หายแต่พอกินข้าวช้าลงมันก็หายไปเลยตอนหลังก็ใจเย็นมากขึ้นมีสติก า, การกินก็ทำให้ใจเย็นทำงานก็ไม่ใช้อารมณ์มีปัญหาขัดแย้งกับลูกน้องน้อยลง มีเวลาได้พูดคุยกันก็ไว้วางใจมากขึ้นตอนหลังก็กระจายงานไปให้ลูกบ้างไปกระจายงานไปให้ลูกน้องบ้างตัวเก็มีเวลาว่างพอมีเวลาว่างได้ก็นึกถึงพ่อแม่ว่าแต่ก่อนไม่เคยไปเยี่ยมท่านเลยพ่อแม่ก็ชวนให้มาเยี่ยมมาหาหน่อยก็ปฏิเสธว่าไม่มีเวลาเป็นอย่างนี้มาหลายปีแต่ตอนนี้มีเวลาแล้วก็ไปเยี่ยมเยี่ยมเสร็จก็มีเวลาพาท่านไปเที่ยว ความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นดีทั้งกับลูกดีทั้งกับพ่อแม่และชีวิก็มีความสุขมากขึ้นเหนื่อยน้อยลงเพราะกระจายงานไปให้คนอื่นอันนี้ก็เรียกว่าเริ่มต้นจากการเคี้ยวเข้าวให้ช้าลงแต่ประบวนมารส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนอื่นมากตามมามากมายทั้งสุขภาพทั้งความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวทั้งการทํางาน เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการทําความดีหรือการทําสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยนี่เราอย่าดูถูกนะถ้าเราทําทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีอนิสงส์มากเหมือนกับแม่น้ำเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากหยดน้ําทีลระหยดที่ระหยดในป่าต้นน้ําที่คือเรื่าน้ําซับน้ำซับนี่เขาเป็นแอ่งน้ําเล็กๆที่เกิดขึ้นจากน้ําที่ละหยดที่ระหยด ที่รากม้หรือต้นไม้มันมันก็ค่อยปล่อยออกมาจากจากอ่าสระน้ําเล็กๆหรือว่าแหล่งน้ําเล็กๆมันรวมกันก็กลายเป็นลำพุย้ยจากลําุ้ยกลายเป็นแม่น้ําจากแม่น้ํากลายเป็นทะเละเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้เราตั้งใจว่าจะทําความดีเพียงแค่หนึ่อย่าง หรือแม้จะเป็นเพียงความดีเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราทำแล้วมันส่งผลกระทบไปมากมายก็เคยมีการทดลองก็เคยมีการคนร้นพบว่าคนที่ออกกำลังกายทุกวันวลาละ5นาที10นาทีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้ไหลายอย่างไม่ใช่แค่สุขภาพดีขึ้นแต่มันทำให้พิศสัยการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปเช่นสูบบุหรี่น้อยลง ดูโทรศัศน์น้อยลงหรือว่าช้อปปิ้งโดยเครดิตการน้อยลงด้วยเขาแปลกใจมากเพราะว่ามันทำกับกลุ่มไหนกลุ่มไหนมันก็ได้เปเผยคลายกันเมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็พบว่านี่เป็นเพราะว่าการออกกำลังกายทุกวันมันทำให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งมีวินัยนเรียกว่ามีพลังใจ ให้พลังใจที่เกิดขึ้นจากการทํากิจวัตรทุกวันทุกวันมันก็ไปส่งผลต่อการใช้ชีวิตในส่วนอื่นที่เคยปล่อยปะเลืเลยที่เคยปล่อยไปตามกิเลสคนเดี๋ยวนี้นี่เรียก ว, ว่าจิตใจอ่อนแอมากรู้อะไรดีก็จริงแต่ว่าทําไม่ได้เพราะว่าใจมันไม่คล้อยตามก็เรียก ว, ว่าดีชั่วรู้หมดนะแต่อดใจไม่ได้ ก็เลยติดโน่นติดนี่นะติดช้อปปิ้งติด a c e b o o k ติดติดของหวานติดไอติมติดช็อกโกแลตถึงแม้ไม่ได้ติดเหล้าหรือไม่ได้ติดยาเสพติดที่ร้ายแรงแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างที่ที่คอยนวงเหนี่ยวนะชีวิตเอาไว้แล้วทำให้อ่ไม่เจริญก้าวหน้าทำให้ใจไม่เป็นสระแต่พอเราตั้งใจที่จะทำดี นะหรือทำสิ่งที่ต้องใช้การเคี่ยวเข็นต้องใช้วินัยในตัวเองแล้จะแค่ห้นาทีส0นาที20สนาทีแต่ทำทุกวันทำทุกวันนะจิตมันก็จะมีพลังมากขึ้นนนะพลังของจิตนี่แหละนี่ที่สามารถจะทำให้กล้าเอาชนะกิเลสได้อย่างคนที่ แค่นั่งสมาธิเวลาห้านาะทีสุดท้ายก็กมีกำลังจิตที่เข้มแข็งสามารถที่จะเอาชนะไอ้กิเลตที่มันอยากกินเหล้าซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอันนี้แหละคือโอกาสนะสำหรับการที่จะสร้างชีวิตใหม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเราให้มันสมกับที่ปีใหม่ทั้งที ไม่ใช่เอาแต่ร อ, อเวลาที่จะสนุกสนานอย่างที่บางคนตอนนี้ก็เริ่ม น, ะนับถอยหลังนับถอยหลังเพื่อที่จะได้ไปจุดประทัดหรือว่าไปแหกปากตะโกนสุขสัรตวันปีใหม่ที่จริงปีใหม่อย่างนี้เนี่ยนอกจากอยามัวแต่นับถอยหลังปีใหม่อย่างเดียวนะ เราควรจจตระหนักด้วยว่าปีใหม่เมื่อมันมาถึงเนี่ยในแง่เนี่ยมันก็หมายความว่าเรารอดความตายไปปีหนึ่งเรารอดตายไปหนึปีแต่ในขณะเดียวกันเราก็ใกล้ความตายเข้าไปอีก1ปีถ้าปีใหม่มันน่าจะเป็นเครื่องเตือนใจนะว่าเรากลาลังใกล้ความตายไปอีก1ปีในขณะที่นับถอยหลังปีใหม่เนี่ยก็ต้องไม่ลืมว่า มันก็มีการนับถอยหลังเพื่อไปสู่พบใหม่ด้วยในปีใหม่ผู้คนเอาแต่นับถอยหลังปีใหม่แต่ลืมนับถอยหลังชีวิตของตัวว่าพบใหม่มันกําลังใกล้เข้ามาแล้วหรือปอลลโลกกําลังใกล้เข้ามาแล้วถ้าเราลึกชั้นนี้เนี่ยก็จะรู้ว่าเวลาที่เรามีอยู่ในโลกนี้มันเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีมันควรที่จะเร่งรีบนะทําความดี หรือว่าทำสิ่งสำคัญของชีวิตบ้างอย่าทำแต่สิ่งที่มันไร้สาระหรือว่ามีความสำคัญน้อยหลายคนก็รู้นะว่าความสำคัญคือสิ่งสาคัญในชีวิตมีอะไรแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำหรือเอาแต่ผัดผ่อนเพราะคิดว่ามีเวลายเยอะยังหนุ่มยังสาวนะเรื่องการปฏิบัติธรรมเอาไว้ก่อนนะเรื่องการฝึกจิตฝึกใจหรือแม้แต่การ มีเวลาให้กับพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่เอาไว้ก่อนนะการจะขอโทษขออภัยใครนี่เก็บเอาไว้ก่อนตอนนี้ฉันขอโกรธก่อนนะแต่ถ้าเราตระหนักว่าเวลาเราเหลือน้อยลงไปทุกทีนะไอการที่เราจะเอาแต่ผัดผ่อนเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมันรอไม่ได้แล้วเราต้องรีบทำลนะ ยิ่งความตายใกล้เข้ามานี่บางทีมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนชีวิตได้นะมันเปลี่ยนจิตใจได้เลยนะอย่ามีนักมือกีตาคนหนึ่งระดับโลกเลยนะรุ่นเดียวกับเพศมิกแจ็คเกอรหรือว่าพวก v i c t o r ลเนี่ยวิลโกจ็คสันเนี่ยวันหนึ่งเพบว่าเขาเป็นมะเร็งตับอ่อนเป็นโรคเดียวกับสต e ฟจอ็อกบอกว่าแทนที่เขาจะซึมเศร้านะเขากลับรู้สึก เกิดความแช่มชื่นเบิกบานขึ้นมาก็าให้สัมผัสกันเนี่ยความรู้สึกมันรู้สึกมันมีชีวิตชีวามากเลยพอรู้ขานะ่าวนะว่าเป็นเป็นแรงตอบเอาเนี่ยเขาสุดมีชีวิตชีวามากเลยประสบการณ์ที่เคยรู้สึกมันธรรมดาสามัญมันกลายเป็นไม่ธรรมดาในเวลาได้ยินเสียงนกร้องเวลาเดินบนถนนก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เวลาลมมากระทบตัวนี่รู้สึกว่าใจเป็นอิสระไอ้ก่อนหน้านี้มีลมมากระทบยังไงก็เฉยๆแต่พอตอนนี้มีลมกระทบตัวนี่สุดเย็นรู้สึกใจมีอิสระมากขึ้นพอถึงกับอุทานว่าทําไมไอ้ควา ม, มรู้สึกไอ้เรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันมาก่อนนะทำไมเหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันมาก่อน้คนที่จะรู้ว่าคนที่รู้ตัวเองกำลังจะตายนี่ทําไมกลับมีจิตใจชื่นบาน ก็ว่าเขารู้สึกว่าเวลาแต่นาทีแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงนี้มันมันเริ่มมีคุณค่าขึ้นมาแล้วแต่ก่อนนี่เฉยๆแต่พอรู้ว่ากําลังจะตายเวลามันจะมีค่าขึ้นมาความรู้สึกหรือประสบการณ์ต่างๆมันจะมีค่าขึ้นมาทันทีวันวันใหม่แต่ละวันจะกลายเป็นวันที่มีค่าเพราะไม่รู้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่า ให้บางทีการเลรือกถึงความตายที่ใกล้เข้ามาเนี่ยมันก็สามารถจะทําให้เรามีชีวิตใหม่ได้เหมือนกันหรือทําให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ไม่ใช่เฉพาะความตายของเรานะบางทีความตายคนที่ใกล้ใกล้ตัวถ้าเรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้มันจะเกิดขึ้นในปีใหม่ก็ได้ มันก็ทําให้เรานะปฏิบัติต่อเข้าเปลี่ยนไปไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช้นิสัยเดิมๆอย่างที่เคยทําแต่ความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะมีเด็กคนนึงโกรธเพื่อนมากเลยโกรธแรงโกรธอย่างเต็มที่เลยและพ่อเขาก็ดีนะพ่อแทนที่จะบอกว่าลูกอย่ากโกรธนะพ่อก็ถามว่าลูก ถ้าเกิดว่าเพื่อนของลูกเนี่ยพรุ่งนี้จะตายเนี่ยลูกคิดว่าลูกจะโกรธเพื่อนไหมเด็กก็ตอบเลยนะผมไม่โกรธหรอกเนะี่ยผมจะให้อภัยเขาถ้าเกิดปูุนี้เขาตายนะผมจะให้อภัยเขาเลยถ้าเด็กไม่ใช่เด็กก็รู้เลยนะว่าถ้าหาว่าคนเรามีเวลาเหลือน้อยนี่ไม่รู้จะโกรธกันไปทําไมเนี่ยความรู้สึกต่อเพื่อนมันเปลี่ยนไปเลย เด็กตัวเล็กๆเนี่ยความรู้สึกต่อเพื่อนเปลี่ยนไปเมื่รู้ว่าหรือเมื่อคิดว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะต้องตายในวันนี้วันพรุ่ง้แลวพวกเราก็เหมือนกั น, นชีวิตงเราก็จะเปลี่ยนไปความสึก ข, ของเราจะเปลี่ยนไปต่อชีวิตต่อวันเวลาที่มีต่อคนที่รู้จักถ้าเราตระหนักว่าเราหรือเขาอาจจะอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานหรืออาจจะอยู่ได้แค่วันนี้ เพียงเท่านั้นอลองคิดอย่างนี้บ้างอย่าให้ปีใหม่เป็นปีที่มันสร้างความฝันลมๆแรงๆว่าเราจะมีชีวิตได้แปะเราจะส น, สนุกสนานไปได้ตลอดกาลแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าชีวิตเรากำลังเหลือน้อยลงไปทุกทีาต้องรีบทําความดีทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตใหามันแล้วใส่ก่อนที่จะไม่มีเวลาเราช้อนี้ก็คือกระท่านี้